บันแดดเอาไว้แล้วเธอก็จากแค่อยากให้เธอยิ้มรยไปไม่อยากจะเห็นแม้น้ำตาต้องการมือไรจะไปหาเป็นที่ปรึกษา ลองอย่างฉันใช้ทบทวนเั่านั้นแววตาของเธอบอกฉันรู้ว่าคนสำคัญ บอกฉันรู้ว่าคนสำคัญที่สุดคือใครต่อให้ยังไงก็ยังคงเป็นเขาวันไหนที่เธอมีเหงาฉันต้องถอยออกไปแม้รักเธอสักเท่าไรรู้ตัวเองว่าเป็นเพียงเหงาเป็นไพแค่เพียงของที่ทำ ของที่ทำเลียนแบบเป็น e ต่แค่ขอที่ทำเลียนแบบ